ได้แล้วก็เห็นการทำงานภายในอาณาปณะสติกา ย, ยะคตาสติก็ได้สัมผัสกันตรงๆนะครับอาณาปณะสติก็ทาอยู่เดินจงกรมก็เป็นกา ย, ยะคตาสติก็มีสติมาอยู่ที่ฐานกายเอาไว้ผลก็ออกมาเป็นอุเบกขา ความจริงเนี่ยในส่วนของอุเบกขาเนี่ยถ้าเทียบกับสุขทุกข์อุเบกขาก็อยู่ในกลุ่มของความสงบแต่อุเบกขาก็ยังมีข้อเสียอยู่ก็ตรงที่ว่ามันยังเกิดดับแต่พระุทธเจ้าก็ให้ใช้อุเบกขาเนี่ยเป็นเครื่องอยู่นําทางไปก่อนไปจนถึงปลายทางก็คือพระนิพพานก็ให้อยู่กับอุเบกขาไปเรื่อยๆเพราะว่า ในกลุ่มของเวทนาสามตัวเนี่ยอุเบกขาชุ่มเย็นที่สุดล่ะอันอื่นมันร้อนมันวูบมันวาบท้านหนทางการพ้นทุกข์ก็ใช้อุเบกขาเป็นเครื่องนำทางไปก่อนพอถึงปลายทางจริงจะเห็นว่าไม่ว่าจะอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศแต่มีเสียงนนทนเป็นที่ระงับกล่าวคืออุเบกขา แม้แต่อินทร์ปวนาะชันเลอรที่อยู่ในอริยวินัยก็คืออริยบุคคลทั้งหลายนะครับก็ใช้อุเบกขาเป็นเครื่องอยู่เหมือนกันก่อนที่จะเข้าสู่นิพพานจนกระทั่งถึงปลายทางพระเจ้า ก, ก็ตวัดกลับมาให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าภิกษุใดที่ยึดอุเบกขาภิกษุนั้นไม่ปรินิพพานเห็นไหมครับท่านไปตวัดกลับตอนปลายทางอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่งั้น ผู้ที่ปฏิบัติมาตลอดเนี่ยเราก็ใช้อุเบกขาเป็นเครื่องอยู่แล้มจิตก็แน่นอนแะอยู่กับอะไรมันก็ติดนะั่นมันก็ยึดอุเบกขาอย่างนี้พอยึดอุเบกขาก็เข้านิพพานไม่ได้ล่ะเพราะมันไม่ยอมวางก็เหลือมัดเด็ดมัดสุดท้ายนะครับต้องเห็นอุเบกขาเกิดดับเหมืนอนกันเพราะเราทิ้งของเกิดดับมาจนหมดละเหลืออุเบกขานี่แหละพอเห็นอุเบกขาเกิดดับจิตก็ เบื่อหน่ายใครความยึดถือแล้วก็วางลงก็เข้าสู่สุญญตาหมดอุปาทานอันนั้นก็เป็นมุมมองที่มองในมุมของอุปาทานในอุเบกขาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเดินทางเข้าสู่มรคนเนี่ยมันเหมือนกับมองมุมไหนใครถนัดเห็นมุมไหนก็พูดถึงมุมนั้น ความจริงก็เข้าไปที่จุดเดียวกันนะันเพราะสุดท้ายพระเจ้าก็บอกว่าสิ่งที่ท่านตรัสมาตลอดก็คือมีแต่เรื่องของทุกข์กับความดับทุกข์อยู่แค่นี้แหละนอกนั้นก็เป็นสิ่งที่เห็นขึ้นมาในแต่ละคนแต่ละคนความละเอียดความปราณีตของแต่ละคนแต่หลักๆเหมือนกันนะครับเสมอกันด้วยวิมุต ถึงจุดนั้นแล้วก็เสมอกันด้วยวิมุต ใช้ซื้อความสุขได้อย่ายิ้มต้องไม่มีความสุขอย่ายิ้มมีแต่ความสุขโดยที่ไม่ต้องมีเงินเงินได้มาเท่าไหร่ให้คนอื่นหมดนีและครับเศรษฐีแล้วเศรษฐีคือคนที่พอล้ เกินจากนั้นให้คนอื่นหมดอย่างนี้เรียกเศรษฐีส่วนยาจบคือคนที่มีหลุมในใจมหาศาลกี่ร้อยกี่พันล้านถมเข้าไปไม่มีวันเต็มมีแต่ความอยากไม่มีที่สิ้นสุดใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มอย่างนี้เรียกยาจบมีหมื่นล้านก็อยากได้สองหมื่นล้านมีล้านก็อยากได้สองล้าน มีแสนก็อยากได้สองแสนอย่างนี้เรียกยาจบเยยิ้มมีห้าร้อยทำบุญให้คนไม่รู้จักที่กำลังจะบวชจนหมดเงินไม่มีแต่ก็ไปหาไม้มาสร้างที่พักกลางป่าเพื่อให้พุพระทุดงที่ <c oughs> พระทุดงที่ผ่านมาได้พักอาศัยค่อยๆทำไปทีละเล็กละน้อย ก็จะลุกขึ้นจากเตียงเก็บที่หลับที่นอนนะครับและหลังจากนั้นก็เริ่มต้นชีวิตกลางป่าที่ต้องทำทุกอย่างด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้นก่อฟืนกองแรกเลยนะครับ อยู่นี่แล้วพวกข้าวปลาอาหารเข้าวสารพี่ยายเอามาจากไหนนะครับเนี่ยเวล า, าก่อนมาก็ก็าปลูกเขาซือมาให้เวลานี้เนี่ยไข่คือไข่คือเขาขึ้นมาเขาก็เอามาให้อถักเขาเอามาให้เนี่ยกจะดื่มกับเขาขอนเนี่ยอืครับเขาจะได้บุน่นค่ะออย่างเสื้อผ้านเนี่ยถ้าหากว่าอ ก็ายังไม่รู้นอะว่าวันตายวันไหนจะไม่ได้ใช้ของเขาซึ่งมไม่ใช่ของเขาขาดกับขอขให้ได้ใจมันตักข้างดองข้างเป็นติ่น้ำใจเขาครับอสายของเขาก็าก็ตรวจมูลพระวนาเพสกุศลไปเขาแล้วขึ้นมาอยู่วันนี้นี่พวกอาหารการกินอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างครับขาดแคลนไหมไม่ป้องทานอดข้าวเก็บวันนะน้ำท่วม่านตายไม่ได้ ไปรจะไปเอาตัไข่แล้วก็ไม่รู้จักไข่ค่ะแล้วอย่างเวลาอดข้าวเจ็ดวันนี้ทํายังไงล่ะอ๋อทำไงได้ก็ต้องตื่นกล้วยตื่นกล้วยอีกต้กมกล้วยเวลาหนาะยังมีมะพร้าวอยู่อแล้วก็วนึ่งกล้วยโนกล้วยแล้วอย่างนี้อยู่บนนี้นี่อยู่บนนี้พอขาดแคลนอะไรอย่างนี้กต้องคอยประหยัดสิทุกอย่างเลยจกัจกจักรกินนี่นะถึงมีหลายอย่างก็จะกินเท่าอย่างไม่ใช่วงตะปุ่มเฟย วันนี้มีนาวนากังไายก็มรู้เนาะจาจ้าจ้ามงอยายเก็บไว้กินได้นานแค่ไหนก็คงจะนานครัเดือนนียอ๋อเดือนต่งเดือนอะไรไปเงี้เนาะเช่นน้นะ่าไม่ได้กินไม่ได้กินทุกวันนะเนาะ กินทุกวันไม่ได้เดี๋ยวหมดหุ่นยามันขึ้นเยอะเลยนะยายสะอากินกินเข้าไปแล้วมันเจ็บป่วยต้องเสดขึ้นมาทำไงอะไม่เสียไม่เสียเคยแล้วหรอ อ, เ ค, อเคยหลายแล้วลายหลายหุ่นเนี่ยเคยทำะาดถ้าเนี่ยซืมา ต, ตะะม่างเป็นโรยะมางเนาะก้าวเข้ามาให้บุคุ้นเอามาจะได้คงก็จะได้กัวเขาเปลี่ยนน้าใจก็เก็บก็กลัว น, นี่กับของดีทุแท่เนี่ยเนา ะ, ะนี่วันนี้ยายทำอะไรกินครับทับกะเกลือนี่เหลือจากเมื่อวานหรือเปล่า เหลือจากก็ส่งคำวันมลจสงคำวันแล้วเหรออ๋อกินไม่หมดเหรอไม่หมดจ้าขอคอยอุออ้นกินแค่จ้ ะ, ะไม่ทิ้งเลยเนาะไม่ทวันนึงป<อ>กติทำกี่อย่างมันแคอย่างละอย่างเดียวมัง้งอย่างอย่างเจ้งก็จงอย่างเท่า น, นี้อ๋ อ, อ, อ, อถ้าถ้าอย่างเดียวอย่างนี้ก็กินอย่างนี้สามมื้อเลยเหรอสามื้อเลยเดอเ้ากลงวันเย็นเลยเนาะ <c oughs> แต่ถ้าเหลือถ้าไม่หมดก็พรุ่งนี้ต่ออีกพรน่งนี้ต่ออีกครับอันนี้อันนี้ยายแบ่งไว้ทาไมครับที่ว่าจะไปให้ปลาเวลายายหุงข้าเสร็จยายก่อนจะกินข้าวก็ต้องแบ่งไว้สุดหนึ่ง <c oughs> อันนี้ไว้ทำทานเหรอครับยาย <c oughs> นนมือ น, นี้ก็มีผักกาดผักกาดเค็มนะครับกับ้ข้าวเนาะ <c oughs> แล้วก็ใส่ข้าวสวยไปหน่อยนึง ยายกินข้าวนี่เลยเข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมผักาดเค็มนี่เก็บไปกินได้หลายวันครับเห็นข้าวชามมีต่ากับข้าวนี้เดี่ยวอะไรก็อยู่แะบนั่งถุงอุ่นเยมากหนูไม่ได้ส้องรนั่งจนอุ่นอนอางนี้ยายก็นั่งรอจนฝนหยุดเลยเหรอใช่แล้วอย่างหน้าหนาวนี่ครับก็หนาวหนาวครับอุ่นอยู่งนี้ก็ลาบากเนาะ ไม่ลำ บ, บากหรออ่าจริง้นะไม่ลํา บ, บากครับอาบน้าแล้วก็อาบแต่ว่าผา น, นาวแล้วก็ลูกใจใจอค๋ อ, อ, อก็คืออะไรที่มันไม่ลําบากตอบแบบไม่ต้องคิดเนะลยลําบากอยู่ที่ไหนกันแนะ่เพราะว่าพวกเราอยู่แบบนี้กันหรือเปล่าเราจึงมองยายิ้มว่ายายิ้มลําบาก แต่จะยิ้มเองกลับบอกว่าไม่ได้ลําบากก็ไม่เห็นมีอะไรเลยน้ํามาฟันเนหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะที่มีแรงยันยินมได้ยังทําไหวนะยังน้อยยังไม่หมดแรงว่ะ อยู่แบบนี้ไม่ได้คิดถึงความสบายหรือยายมีลูกหลานท่อ้อมร้อมช่วยดูแลให้นีทุกอย่างใหเนาะแล้วแกก็สูกทำเองดีกว่าอฏิบดีเองดีกว่ายายไม่ค่อยชอบใครช่วยจีนักมั้แสดงว่าไม่ชอบไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นสินะชอบพึ่งตัวเองอยากับพึง่งแกลก็ให้ให้มามุดท่าแต่กน หมดตาทุกอนนี่ยังพิษแพงได้คอยอยู่ให้จนไปไหนไม่ไหวอย่างนี้ถ uh> ้าเขาไม่ร <|no|>> ับกืดีเขาให้ไปอ่ะไม่ใช่ว่าดื้ออะไรอะไก็ไม totally ่ลงแต่ถ newspaper ึงว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็ลงลอแต่ลูกเต้าเขาก็อยากให้กลับไปอยู่ด้วยนี่ออยากอยก็อยากให้อยู่เนาะแต่เราก็ยังคือจริงๆลูกเต้านี่ไม่ไม่มีไม่ทิ้งครัไม่ทิ้งเนาะน่าไม่ทิ้งเขาก็เป็นห่วงเนาะ แล้วอย่างเวลาคนอื่นมองว่ามาอยู่แบบนี้ยากเนี่ยสำหรับยายนี่ยากไหมไม่ยากไม่ยากไม่ไม่ยากครับอ่าแต่ไรอืออยู่ว่ามันอะไรล่ะถ้ามันยากมันยากกายแต่มันสบายใจอตายก็ไม่ยากเนี่ยเหนื่อยก็ไม่ทำโอ้ตายก็ไม่ยากนะตายก็ไม่ง่ายจริงๆริออย่าว่าใหญ่แขแล้วยังยิ้มหน่ะบอกผู้สักตหลังจากที่ยายิ้ ข้าวในมื้อเช้าแล้วก็จ ะ, ะเตรียมข้าวของเพื่อที่จะเดินทางเข้าไปทํางานในป่านะครับงานที่ยิ้มหมายถึงนั้นก็คืองานสร้างฝายชะลอน้ําหรือภาษาของ ย, ยิ้มมันจะเรียกว่าเข้าไปสร้างคันนาในป่านั่นเองนะครับเป็นงานที่ไม่ได้งบประมาณหรือไม่ได้คําสั่งจากกระทรวงทบวงกรมใด น, นะครับแต่ว่าเกิดขึ้นจากความตั้งใจของยยิ้มที่จะตอบแทนคื น, นกับผืนป่านี้ครับ าใช้คุ้มค่าจริงๆเลยนะครับนี่นี่กระดุมอะไรก็หลุดหมดกระดุมยังอยู่เนาะยายยังอ๋อตัวมันเล็กไปแล้วเติดกระดุมไม่ได้ยายก็เลยทำเป็นผูกเป็นเชือกแทนนะอ๋ออ๋ออันอย่างนี้ก็ยังได้อยู่นะยายครับรุ่นนี้คุมแด็กก่ไม่คุมฝนเนาะ จะเดินจะต้องข้ามลำกล้วยแบบนี้มานะครับมาจจะก้าวข้ามก้อนหินมาแต่ละก้อนสช้ราจับนี่ก็หายใจค่อมนกันนะครับเราเดินไม่กลัวล้มบ้างเหรอกลัวใช่กลัวมากที่ทุททเทอกลัวล้มเอาลำ ม, ม, มาทำไมล่ะก็ <c oughs> อ, อยากจะมาทางาน <c oughs> ประโยชน์เด็ดจริงๆก็อยากมาทํางานเราเคยพูดตรงไหมเนี่ยตอนวันจันทร์เช้าเนี่ย อ๋อกขึ้นี่ฝ่ายที่ยายมาทำไว้แล้วนะครับแล้วยายทําแบบนี้ไม่กี่ฝ่ายนี่ยายสิบเอ็ดฝ่ายน่ะฮะสิบเอ็ดฝ่ายเลยเหรอเออโนนทงฝ่ายนะถ้าบานโนนต่ำยังไม่ถูงเนี่ย แล้วมีฝายเราก็ตํางงานสายแล้วโน่นฝายหลายพงโดอีกพงโดอีกหลายฝายค่ะค<อ>ิดยดรวงคิดายสิบเอ็ดฝายที่ทำทาเองเหรอครับทำเองม่าชพีเดียวทำ<อ>มานานเน้ะค่ะครั บ, รบทำในต่างก็เะเทศไ่าใวไหนหลวงพระราชนี้เนี่ยอเอาคำผมขอเตือนมามาปฏิบัติค่ะให ก็ต้องนำลําทานให้ปูกไปในอะไรเงี้ยแนวโนยเนนาชาชาเอาคือยายเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แหละครับที่เขาบอกนี่คิดว่เป็นประโยชน์ให้กรุงเล็กปาน้อยได้อาจายมักินมั่งไก่ปานอกน้อยก็ได้กินได้ทําลังอ่าแล้วก็โคโคนไายมั่งจันไปมาก็ได้กินได้อาบแสดงว่านี้เหมือนทําบุญอย่างนึงสิยายก็คงยังง่ายแลวเนาะท่านเนาะโอเคว่านายหวงทำยังไงยายก็พี่ก็ตามเขาหนาเขาสังเกตไหมว่า เธอไม่ได้ทำเพื่อบุญนะเธอทำเพื่อให้เธอใส่เสื้อผ้าก็ใส่ให้คนที่ก็เอามาให้เนะี่ยได้บุญมีสักคำไหมที่หญยพูดยายิ้มพูดเพื่อตัวเองเดินตามท่านไปได้นอนมัในรีบในน้อยเนาะือกบุญแทนคุนบ้างงั้นกไม่มีอะไรจะตอบบุญแทนพเออ จะดื่ม น, นะครับพอน้ําขึ้นมาก็ตรงนั้นก็เลี่ยนกายเป็นแองคอยกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ส่ว น, นยิ้มยัยไม่ได้ใช้เองนะครับเพราะว่ามันไกลจนเกินไปที่จะเดินมาใช้แต่ว่าที่จะได้ประโยชน์ก็บรรดาสัตว์ที่อยู่ในป่าได้ใส่น้ําืินดินได้ความชุ่มชื้นต้นไม้ก็เลยใช้ประโยชน์จากความชุ่มชื้นจากน้ําฝ่ายที่ยิ้มยัยทำยนะครับ แ ย, ยายใช้เวลากี่ปีแล้ว11ปีนี้ไม่ไม่รู้พี่ปีเนาะ <c oughs> ถ่ายถ่ายอนโนนด้วยหลายปีจะต้องมาอยู่ประเดิ ม, น, มน้าไมเมียเ <ừ> นาะนาไหลายมีลิงก็ระกัดนางไว้โอ้ยนี่แล้วมาคนเดียวนี่ไงเอาเอาจอบจอเล่มหนึ<อ>่งแล้วค่อยๆตักดินขึ้นมาละหน่อยๆหน่อยเหรอจะจะอ่ะโอยขึ้นมาโอยขึ้นมาอออโหเหรอเฮ้ยคนเดียวแล้วก็มีเครื่องมือนี่มีจอบอยู่อันเดียวเหรอ <c oughs> euh, ที่ตั้งใจทำไว้เยอะแยะขนาดนี้นี่แล้วตั้งใจไว้ทำเรื่อยๆสักกี่อนันตอนนี้มีสิบเอ็ดแล้วใช่ไหมยายอยางอ ย, างอยากไอ้ทำจริงๆอยากไอ้โจงแล้วก็จะซื้อมีขันคงจะทําให้ครบสิบสามสิบสีอันี่ได้สิบเอ็ดัล้วน่าจ ว, ว่าสิบสเนี่ยว่าจะว่าจะทําจนถึงสิบสี่ไยายถึงแต่ว่าจะต Leaving, ํางฤทธวันไหนเมื่อไหร่ยังไม่รู้แต่ทำให้ถึงเลยก็ทำเรียวแรง กูยังมีเวลากว่าจะครบร้อยปีใช่มหมยายถึงเลยทำไมล่ะเออเอาเอาจะพาะมือหมอเหรอหนูเอาพอทาฝายเสร็จเหรอใช่ๆๆหน ทุกฝ่ายที่ยายไปนะครับก่อนที่ยายจะเริ่มต้นทํางานจะเริ่มต้นซ่อมแซม น, นี่ก็จะเอาข้าวที่ติดมาเมื่อเช้านี้โปรยให้ปลากินก่อนนะครับโปรยไปก็จะบอกไปเรียกให้ปลามากินข้าวมาเร็วยายเอาข้าวมาให้เนือตัขอกขบด้านใจกินแล้วก็ยายเวลาคุยกับนกกับปลาเนะี่ยชวนเขามากินข้าวที่เราหวานให้นะี่ เขารู้ไหมยายไม่รู้ไม่รู้นาะจะคิดว่าต้องรู้เนาะยายคิดไปต้องรู้จะกลนมาเนี่ยเป็นตะปีนี่ยังไม่เห็นตัวปลาเห็นตะกลอนไม่รู้ก่ะเีากเนี่ยเขาจะมากินน่ะโอยไปเนี่ยจะมากินน่นเนาะแล้วยายจับไปกินไหมคิดว่าหมาอาจารยรู้เขาม่ทาลายเขาเนาะฟึ่งแงฟึ่งโดมาหรความทุกข์กับเขาแลวจะไปทาลายเขาก็ณหมยถงความทุกข์ให้เขา นี่เราก็เลยเอาข้าวมาโปรยมาแบ่งทานให้ด้วยนะใช่บางทีก็ไม่ได้หอกเนอะถ้าวันไหนถ้ากินข้าวเย็นจริงๆเนี่ยครับก็ไม่เข้ามาอืมต่างประดีแนีอ่ะเนาะอ๋อข้าวที่เข้าต้องไม่ใช่ข้าวเหลือด้วยนะต้องเป็นข้าวข้าวแรกด้วยนะข้าวแรกแล้วก็ถึงข้าวเลกเอามารวมที่การหุงไหมก็ยังดีเนาะอืมแต่เป็นข้าวเย็นเนี่ยก็คงไม่เข้มาครับวันนี้เราแสดงว่าเวลาเรามาให้ทานให้ปลาให้นก คิดนี่เราก็คิดเสมือนว่าเป็นหนึ่งในการทําบุญสิเวลาให้เราต้องให้ของที่ดีที่สุดเนาะใช่ใช่ใช่ครั บ, บ, บ, บถ้ามีขนมเขา อ, อะไรเนี่ยนะถ้าทําขนมแลึกๆทุกหลังแม่ต้องมาแบ่งให้กันกินหนูมังเขาจะกินไม่กินไม่รู้จะกินไม่รู้ก็ตื่นไปตายหนูแสดงว่าปลาแถวนี้ก็ติดใจฝีมือย้ายหมดสินะใช่เไหนะ มีลูกตาใหญ่มกินข้าวมัมีลูกต า, า, า, า, าอยู่ครับพิธีกรก็จะคุ้นกับเรื่องเรื่องบุญเรื่องได้บุญนะอ ย, ย่ายิ้มเรียงออกไปหมดเพราะว่าการกระทำของเธอคือบุญมันคือจริงๆคือการสละออกแต่ทุกวันนี้บุญกลายเป็นการเอาเข้า ของชาวพุทธทั้งหมดไปทําบุญคือไปเอาบุญแทนที่จะให้กลับกลายเป็นไปเอาคําว่าบุญตอนนี้มันเลยเพี้ยนไปหมดสําหรับชาวพุทธ ย, ยิ่งคําว่าอนุโมทนาที่ไปกันใหญ่ครับพอเห็นว่าการอนุโมทนาคือพรอยินดีกับคนอื่นเป็นกุศลกิจสงกุศลเกิดที่ไหนกุศลเกิดที่จิตของผู้ที่อนุโมทนาว่าโอ้เขาทาดีแล้ว แต่กลับกลายเป็นว่าคาว่าอนุโมทนาบางสํานักไปกันใหญ่บอกว่าได้สิบเอร์ซจากบุญของเขาอีกแทนที่จะพอ ย, ยินดีกับเขาในการทำความดีกลับกลายเป็นไปเอาจากเขาสิบอร์เซนพูดอนุโมทนาก็พูดไปแต่คําใจไม่ได้ไปแต่ต้องการเอาบุญของเขาเพราะเห็นมีคนบอกว่าได้บุญเท่าที่ผมรู้เนี่ยเวลาอยากได้อะไรจากคนอื่นเนี่ยเาเรียกเปรต ก็ไม่เรียกบุญนะมาจากพิ้์นะครับพอน้ำขึ้นมาก็ตรงนั้นก็กลี่ยนกายเปน็นแ่งคอยกัดที่เห็นยายยิ้มมาทำแบบนี้ทั้งกลบแดดกลบฝนทั้งเหนือว ย, ยากขึ้นมาทำฝายแบบนี้นี่ไม่มีใครจ้างไม่มีใครสั่งแล้วก็ไม่มีงบประมาณที่ไหนให้ใช้นะครับ แต่ว่าอย่ายิ้มก็ยังขึ้นมาทํานี่ถ้าพูดแบบเ ว, อเวอ่อรไปสักหน่อยก็คือว่าไม่แน่นะครับฝายเล็กๆที่อย่ายิ้มทําอยู่นี่ช่วยชะลอ น, น้ําไม่ให้น้ำนี่ไหลลงไปท่วมเมืองข้างล่างก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเห น, นื่อยท้อแท้ท้อถอยคิดว่าเหนื่อยยากเหนื่อ ย, อยายมากมายนี่ก็มาดูอย่ายิ้มทํางานก็ได้นะครับ ว, ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนนี่อย่ายิ้มนี่ก็ยิ้มสู้ แล้วทำได้เราจะไม่ไม่ถูกเหอนกแล้วไอ้ยากๆแล้วก็ยังยิ้มอยู่อ่ะมันยังไงมันมีความสุขมัเนาะตอบง่ายๆดีเนาะมมีความสุขนะมีหน้าถามเลยเนาะยิความมีคนจยิ้มได้ยัไงทุกๆวันที่ไม่มีพิธีก่อนเธอก็ทําอยู่อย่างนี้นะครับเธอทําอยู่คนเดียวมีความสุข ที่ได้ทําให้นี่เพียงแต่ทีวีไปเห็นเราออกมานะครับผมพานเด็กๆนักศึกษาหรือนักเรียนทําจิตอาสามาเยอ ะ, ะครับผมบอกว่านี่แหละจิตอาสาตัวจริงไม่ใช่ไปแยง่แยงๆ แ, แ, แ, แล้วก็ถ่ายลงเฟซบุ๊กแล้วก็อนุโมทนากันนี่จิตอาสาทําทั้งชีวิตไม่มีคนเห็นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนี่มีคนเข้าไปเห็นแล้วก็เลิกรายการก็จบไป แต่วันนี้เธอก็ยังทำไปเธอก็บอกแล้วเธอยังทำจนทำไม่ไหววันนี้ท่านถึงวันที่สามะเริ่มรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลเริ่มเห็นทางคู่ขนานที่เกิดขึ้นดูยายิ้มผมถามคำหนึ่งว่าเคยเห็นอกุศลปนในจิตยายิ้มไหมไม่ว่าเธอจะลำบากแค่ไหนเคยเห็นอกุศลปนในจิตยายิ้มบ้างไหม เป็นอะไรไปในชีวิตที่ก<ช>็เ อ, เอาเอาแค่นี้ไปถึงไปได้อย่างได้ได้ขนาดเนี้ยแล้วทําไมแล้วทําไมอย่ายิ้มถึงเตรียมของไว้ใส่กระเป๋าเตรียมไว้อย่างนี้ละ่ะละก็อยู่คนเดียวคะคะก็ใกล้ทิ่ใจใครจะเอามาให้อ่ะถ้าสวยนับเตรียมสวยเลยเนาะอ่าจ้ะครับออเตรียมแล้วต้องเอาของเราไปเองใครๆไม่มีครมาเอาให้ได้บางคนเขาก็อาจจะบอกว่า นีท่ทาอย่างนี้เหมือนแบบว่าแช่งตัวเองหรือเปล่าหรืออะไอย่างนี้เป่าทําไมยัยถึงถึงคิดเตรียมไว้ล่ะเขาแก่เขาคิดผิดถ้าเราไม่เตรียมใครจะเตรียมให้ออ่าถ้าป่วยหนักเลย่ยกูจะเอาทุกนั้นเนื้อมาให้กูนะกูเป็นคนไม่ได้กูไม่รู้อ้าวแต่เมื่อสายเกินกูดูเน้อว่าไม่ได้นี่ถึงไม่สายได้กับมีของเคิบไปมีขนาดว่ากูพ อ, อถึง วันสุดท้ายของชีวิตนี่ยังไม่คิดขึ้นใครอีกเลยนะทุกอย่างยังเตรียมไว้เองด้วยนะนาาอะนี่แบบว่าขึ้นตัวเองกันวันสุดท้ายเลยอืถ้าจะพึ่งเขาก็ไปเวลาจะป่วยเนี่เนาะคี่ต้องต้องพูนเนาะถ้าตายเน่ใครก็ช่วยยังไงเนาะแสดงว่าญายก็มองอย่างนี้สิว่าคนเรานี่ตายไปเนี่ยอะไรเอาไปไม่ได้นอกที่ได้อย่างเดียวนี่ก็คือเรื่องบุญที่ทําไว้นะใช่ไหมดีเด็ดขาดบ กจายาอย่างนอมกออว่าเราไปสะสมอต้เยอะต้งแยะงลูกงาน่็ขเก็บองอะไรต้งเยอะต้งยะสุดท้าก็เอาไปไม่ได้อื่สุดท้ายนี่ก็ด่นี้่ค่นี่ ผลลับจากการที่ไปทํำรายการคนทุกคนตอนอยันยิ้มเนี่ยนะครับทําให้คุณประสานอิงคันันค้นพบปริศนาที่จะไขความลับปัญหาของโลกอย่างบังเกิดครับนั่นก็คือคุณประสานได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วปัญหาทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ได้มาจากสาเหตุอะไรครับแต่มาจากสาเหตุสําคัญสองอย่างนั่นก็คือมาจากการที่คนเรามีในสิ่งที่ใหญ่ ย, ยิ้มขาดแล้วก็ขาดในสิ่งที่ใหญ่ ย, ยิ้มมีมากเกินไปครับ มีในสิ่งที่อย่ายิ้มขาดก็คือมีความโลภมีกิเลส น, นะครับมีการกอบโกยตักตวงจากธรรมชาติมากจนเกินพอดีขาดในสิ่งที่อย่ายิ้มมีก็คือขาดความเคารพนอกนอกขาดจิตสานึกที่รู้ว่าธรรมชาติมีบุญคุณกับเราเราไม่ควรเบียดเบียนจากธรรมชาติมากเกินไปแล้วก็ควรที่จะตอบแทนคือให้กับธรรมชาติบ้างนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวกันให้ถึงที่สุดแล้วความจริงคนอย่างยายิ้มไม่ได้ขาดแคลนอะไรหรอกนะครับแต่ว่าโลกเราต่างหาที่ขาดแคลนคนอย่างยายิ้มใครต้องสงสารใครกันแน่นานนี้นะครับอย่าเพลอไปสงสารยายิ้มลนะ่ะสงสารตัวเองให้มากที่ไม่ได้เท่าเธอเลยไม่ได้สักเศษเสี้ยวเลย วันไหนที่เห็นเรื่องจิตแล้วจะรู้แล้วว่านี่สุดยอดถ้าใครเคยอ่านคู่มือมนุษย์จะมีตอนหนึ่งชื่อตอนที่การบรรลุธรรมด้วยวิธีธรรมชาติเดี๋ยวกราบพระอล้ท่านไปเบรกก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาทำวัด ควรเปิดไฟนะครับจะได้สวดมนต์เดี๋ยวทวํ า, าวัดเช้าวันนี้เราจะสวดอรหังสัมมานโมตสระแล้วก็จะข้ามไปที่ธํรมาอาริยามากมีองแปดเลยนะครับผมยังไม่ได้ดูเลยว่าหน้าอะไรลองดูแล้วกันนะครับ วันนี้เราจะเริ่มเข้าเรื่องอริยมรรคเมืองแปดคืนนี้คงจะเป็นธรรมจักรหน้าสี่สิบหกนะครับพอคล่อมไปช่วงบ่ายก็คงจะเป็นเย็นๆก็เป็นธรรมจักรกับปวัตนสูต ร, รแล้วก็เป็นลอยต่อไปสู่ปฏิจจสมุปบาทนะครับแล้วพุ่งนี้เย็นก็คงได้ฟัง ของจริงจากหลวงพ่อเอี้ยนแหละคอสี้ปหหูฐานแน่นปึกครับเข้มข้นเลยนะคุณหมอเข้มขน้นในที่นี้มีใครเป็นสมาชิกชมรมการยานธรรมยกมือนะครับ โ, โหเยอะเลยนะ ประธานชมรมให้เกียรตินั่งอยู่นี่ครับคุณหมอจุ๋มนะครับคุณหมออชาชรากรินสวรรนะลูกสาวของดออรสนองนะของคุณพ่อสนองอันเดอรวเราทำวัดกันนะครับ อรหัสตมารสุตโรมประกวันพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันตเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุตรังประกวันตังอภิวาเทมิ พระเจ้าอธิวาสพระผูมีพระภาเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวคาตุนระเวนจงทำโมพระธรรมเป็นทารมที่พระผูมีพระภาเจ้าประกาศดีแล้ว นามาณสามิทาวเจ้านมาศการพระธรรมปติปันโนอาควชนสาวกสัมพงพระสงฆ์สาวกของพระผูมีพระภาเจ้าปฏิบัติแล้ว สัมพันธมารีข้าพระเจ้าตอน้อมพระสงฆ์ท่านพมยังพุทธตาพัทวโตปุตพาค น, นามกาังกะโรมะเสนโม阿萨ะ阿卡瓦陀ขอนน้อมแด่พระผู้มิ พระาเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไรจากกิเลสธรรมะสมควรทัดซาจะสรู้ชอบใ้โดยพระองค์เองน้ำบััดซาเมฆาวะโตอนอน้อมแด่พระผู้มีพระาเจ้าพระองค์นั้น อาราโตซึ่งเป็นผู้ใกลจากพิเลตธรรมมาธรรมปุถุสสะกัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนามวัดตัณฐาพระขวาโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราาโต เสื uhm ่อมเนผู้ไกลจากพิเลสสมาสัมปทาซาราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสี่สิบน่านธรรมยังอริยทั้งสิกรมขปาทั้งพนามาเต อายเมวะอาริโยอาตมกิโกมะโคผลทางที่แลเป็นหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์แปดเลยอยาธิ่ทงได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสมาธิความเห็นอบ Ppy, สัมมาสังกัปปะความดำริช็สัมมาวาจาการสจ้การชสัมมากรรมันการาำการงานช็อสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตช็อสัมมาวาจาโมความบ้าเพลียนช็ ธรามะติความระลึกย่อธรรมาธรมะติความตั้งใจมั่นย่อปามาจากพิฆเวสรรมาทิสีดูปานพิสุทันนท้งไลายปามเห็นย่อเป็นอย่างไรเล่ายังโควพิฆเวสุขเกญยนัง รู้ก่อนเพียงู้ทั้งหายความรู้อันใดเป็นความรู้ในนุกรู้การสมุทเยญานางังเป็นความรู้ในเหตุให้เกดิดทุกข์รูการนิโรธเยยานางังเป็นความรู้ในความาดับแห่งทุกข์รูการนิโรธคามิมิยาปฏิปทาเยยานัง เห็นความรู้ในทางําเนินให้ถึงความสาบแห่งทุกข์อายาังวุตจิตพิฆเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนเิพย์ดูทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความเห็นชอบกระทำวัวจะพิฆเวสัมมาสังกปรุงดูก่อนเิพยพสดูทั้งหลาย ความดั่งรีชอบเป็นอย่างไรเล่ามนธรรมะสั้งกพอความดั่งรีในการออกจากรรมอภัยยาปัสสังกพอความดั่งรีในการไม่หุงรายอาวิญญาสังกปรความดั่งรีในการไม่เบียดเบียน อาญาผูจะติภิกขเวสัมมาสังกป ท, ทุทงดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานนี้เรากล่าวว่าความดำริชอบการธรรมะจะภิกขเวสัมมาวาจังดูก่อนภิกษุทังท้ทงหลายการพูจร้จะชอบเป็นอย่างไรเล่า โมจาวาตาเวรมณีเจตนาเป็นเครื ay ay ani, ่องเว้นจากการพูดไม่จริงสิสุนายาวาจายเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดต่อเสียดอารุสัยาวาจายเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดยา ราปะลาปาเวรมะนิเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดเพิ่มเยอะอายุจะดีพิเกเวสัมมาวาจางดูข่อนพิสษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการพูดจะอจาะกาสะโมจะพิเกเวสัมมากรรมันโ์ ดูก่อนพิสูทั้งหลายการทาทาน ง, งานชอบเป็นอย่างไรเล่าปานาิปานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าอธินาทานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าขอไม่ได้ไห้แล้ว กาเมสุมิจจาจาราเวร ม, มณีิเกตนาเป็นเครื่องเว้นจากการสร้พงิดในการทั้งหลายอายังุจติพิกเวสัมมาคัมมันโตดูกรภิกษุทั้งหลาย น, นี่เรากล่าวว่าการทำกัา ง, งานชอจบ อาตะโมจะพิกเวสัมาอาจีโวดูก่อนพิสุทั้งหลายการเลียงชีวิตชอเป็นอย่างไรเล่าปีดาพิกฆเวอริยสาวกโณดูก่อนพิสุทั้งหลายสาบกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้ จีญาติวางภายยารัการเรียนชีวิตที่ดีเสียสมาอาชีเวนชีริกังคาเฟติยองสำเร็ความเป็นอยู่ด้วยการเรียงชีวิตทีย่ออาญาควจะติกิเวสสมาอาชีววรูปภานิสุตังไร อานนี้เรากาวว่าการเลี้ยงชีวิตชอบกาธรรมโอจะพิกเวสัมมาวายาโมุดูก่อนพิสูทั้งหลายความภาคเพียชอบเป็นอย่างไรเล่าเอตาพิกเวพิภูดูกก่อนพิสูทั้งหลายพิสูในธรรมาวิยนี้ อาทุปปนานังปะปการนาอาุซาลานังธรรมานังอทุายกันังจะเมติวายามติวิิยังหาริเอตังะกานาปะติยอมทาความพอใจให้เกิดขึ้นยอมพยายามปรากความเปลียน ปรากฏตังจ an an ิตไว้เพื่อจะยังอาคุโสรธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นปุปปันนานาบาปการนั้นอาคุสรานั้ธรรมานันทานายจันทร์เจเนติไวยามาติมิริยานาราสติเยตังปัจจันมาติปัตาโมติ ย่อมทําความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมขยายยาปราบความเพียนปราบความตั้งคิดไว้เพื่อจะละอาคุณละตามันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วอรุปปันนานุปัสลานุปัมาปังอุปาทายะจันตังจันเนตินวายะมิติ เวยีาเยห า, าหากระพเติเจตัากันหาติทาตาติยอมทำความพอใจให้เกิดขึ้นยอมขยายามปราโรคความเพียรปราคองมตั้งจิตไว้เพื่ออย่ายาังสุขลดว่าทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นปุปปานานางังกุสลานังธรมานางังจิตทียา อาตมุตายาอิโยปาวายาเวฟุลายาอาวานายาปาริภูริยาจันทังยเนติวาญาติปิริยานาราภิตยังปะกันนาเตปะตาเตยอมทาความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายามการรความเปียนตารท้องตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลือ่อนเรือความหอบคราบที่ขึ้นความไปบุญความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลลาธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว อาญาตุจิตพิกเวสัมมาวายมนตุก่อนพิสุตัมายอนที่เรากล่าวว่าความภาคเพียรเจบกัตมาจะพิกเวสัมมาสติดูก่อนพิสุตัมไธภาคเาียรเจาะเป็นอย่างไรแล้วอิทามิกเวพิคุ ลูก่อนพิสูทน์งหายใิสูจในธรรมะวินัยนี้กายเอกายานุปัสิวิหะรติย่อมเป็นผู้ปิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจําอาตาปิสัมปัญญาสติมานวินัยาโลกะปิจารโรมานัสสัน มีความเพลี่ยนเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกของเทยไายเวทนาจุเวทนานุปาสีวิหารตาิย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ อาตาปิสัมปัานโนสติมานิเตยโลเกอาิจารโทมาสตังมีความเบียนเครื่องเผากิเลมีสัมปัญญามีสติอความพอใจและความไม่พอใจในโลกของเสียได้จิเตจิจานุปัสสิวิหาติ ย่อมเป็นผู้พิจารณาเอนคิตในจิตอยู่เป็นประจําอาตาบิสัมปชาโนตัติมาปิไนยโรเกอภาิชาโทมนานาัสสมีความเพียรเครื่องเขากิเลสมีสัมปัญญามีสติออขอความพอใจและความไม่พอใจในโลกของเพียรได้ ดัมเมสุตัมมาปัสสิวินารติจักเป็นผู้พิจารณาเห็นิธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจําอาตาปิสัมปัาโนสัตติมาปิไนยโลเกอภิจารโอมานะสางมีความเปียนเครื่องเผากิเลสมีสัมปทัญญามีสติ ความพอใจและความไม่พอใจในโลกของที่ไรอายาควรจะปิติกรเวศส ม, มาสติดูก่อนพิสุทั้งหลายอันนี้เราก่าวว่าความระลึกย่อการทำโมจะปิกขเวศสมาสมาณิดูก่อนพิสุทั้งหาย ท้ใจมันชอบเป็นอย่างไรเล่าทีตาพิกเขวพิกภูโูก่อนิกสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้วิวิเชวะคาเมหิสงฆแค่จากกาทั้งหลายวิวิชาหาพุสะเลหิทัมเมหิ จาละแลจากธรรมที่เป็นอกุสนธิหมายสาวิตาคันสวิจารังวิเวกจังปิติสุขังปัตมังจานังอุปตัมปัญามิหารติเข้าถึงปัตตมัจานประกอบ ด, ด้วยวิสุขวิจารปีปิติและสุขันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ วิตากวิจารังภูบาทสมาความที่วิสุวิจารันสองระนับลงอายจังสัมปัสสะนังเกเทสุนเกโกติภวันอวิฏากังอวิจารังสะพาทิจังปีติสุขังสุติยังชานังภูบาทสัมปชาวิหารติ ก้าถึงสุติยาชาติเป็นเครื่องหองใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกกุธทธิขึ้นไม่มีวิสุกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขันเกิดจากสมาธิแล้วแลวอยู่ปีติยาจาวิราคาอ ห, หนึ่งเพราะความยางหายไปแห่งพีธี ผู้เป็นกคจะวิหารติสาธุจะสัมปชานุโมฯยอมเป็นผู้อยู่เบกังมีสติแม้สัมปัจจัญญาตัขั้นากายเนกติสังเวชิตและยอมเสวยความสุขพุ่ยนามกายยานตังอริยอาจิขันติ อุเบกขาสัติมาสุขามิาริติดานิสิพระริยเจ้าทายยอมกล่าวสรรเสริญผูนั้นว่าเป็นผู้อยู่เบกขามีิอยู่เป็นปกติสุขดนี้อาธยยเานางอุปสัมปุจาวิหาริติ ก้าวถึงสาตยร า, าแายาแลอยู่โูคารสัจจปานานเพราะเราทุกเสียได้ตูการสัจจปานานแต่เพราะเาทุกเสี ย, านานานยได้ถูกเอวโทมานาสสตโตมานาสานังอัตถามังเพราะว่า แห่งโสมนาฏและโสมนาฏทั้งสองในการสอนอาตุขามาสุขังมุเบกาสธิตพาหิส an ุธิจะทุทั้งชาอุปัสสัปชาวิรารติก้าวถึงจัตุตจานไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่งความที่สติเป็นธรรมชาติอริสุทธะอุเบกขาแลวแลอยู่อาญาภจติปิกเวสัมมาสัมพุทสุทัสสุท้งลายอนนี้เรากล่าวว่าความตั้งใจมันชอบนัสมาธิ หมจบแล้วครับว่าจีสงคามจบช่วงแรกๆมันจะเหมือนเด็กนักเรียนสักสิบคนเดินเป็นแถวกเกาะรถไฟครับพอคนแรกหยุดคนหลังมันหยุดไม่ทันมันจะไปกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกันมันมันจะถล่ม ถ้าฝึกไปบ่อยๆคนแรกหยุดคนสองยุดหยุดหยุดหยุดพร้อมกันหมดพอหยุดก็ได้สัมผัสกับความสงบจิตจะได้เคยคุ้นกับความสงบเห็นความเกิดความดับเห็นความเกิดความดับสงบก็เกิดเดี๋ยวสงบก็ดับแล้วก็เป็นความปรุงเกิดความปรุงกระดับ แล้วจิตจะเห็นเองว่าเวลาปรุงเป็นยังไงเวลาไม่ปรุงเป็นยังไงถึงวันนั้นก็จะเห็นเลยว่าเมื่อเกิดอารมณ์มันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจไมื่เห็นการปรุงแต่งแบบหยาบๆก็ไปอยู่นในฝั่งของอุเบกขา น, นี้เขาไม่รูจักอุเบกขาคนจะเลือกอะไรได้ต้องรู้จักทั้งสองทางเมื่อรู้จักทั้งสองทางแล้วเขาจะเลือกเองใครๆก็หนีทุกันทั้งนั้นแต่เขาไม่รู้ว่าอะไรทุกเขาดันไปคว้าทุกเพราะความไม่รู้ทำยังไงให้รู้ กำลังฝึกอยู่นี่พอรู้แล้วก็เลือกถูกเองเมื่อก่อนไม่รู้จึงเรียกว่าอาวิชาประความไม่รู้ดันไปคว้าเหตุให้เกิดทุกข์เปิดหน้าสามสบกลับปวดน้ำคันอันธรรมยามสรรพปติธานาคาทายโพมนามาเซ ปัญญาสิธานิกาตัสญาณัญญาณิตตานิเมเป็นชนชาติกินตสุสัจจานันต์ขอมานะคสั้นังหลายไม่มีทีสุดไม่มีกระมาตรงมีสัวแห่งบุญที่กาวพระเจ้าได้ทำในบาคี และแห่งคุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเจพิยาคุนาวันตาจาม่หังมาตาปิตาเทยนเทตาเมียปลยาปิชาวาอันเกมัจจัเสเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าได้ เึ่งเป็นที่รักใคและมีบุญคุณเช่น ม, มาดาบิจาของข้าพเจ้าเป็นทุนข้อดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นข้อดีสาสตราพื้ที่เป็นกลางการหรือเป็นผู้เว็นกันข้อดีสาธิตท่านจีโวกาาันสมิงเตกุมารจัตุโยริา่า ปัเจเจกจัตุโลการา ส, สรังสารตาภาวะภเวสเระทั่งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในทุิทั้งสามอยู่ในขันธ์ทั้งสี่มีขันธ์หน้าขันธ์มีขันธ์นเดียวมีขันธ์สี่ขันธ์การลังก็เทียวอยู่ในพวกน้อยพวกใหญ่ก็ดี ยาตังเยปะิตานัมเมอนุโมทันสุเตชยังเจสิมานาปจานันติเทวะเตสัมวิเวชยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแบ่ให้แล้วแตเหล่ า, านั้นจงอนุโมทนาเเถิดป่วยสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ปายาทินานัปคุญญาณอนุโมทนาเทตัสตาสตาอุนตุอเวราจุปชิ a ิโนเอมาปะทันจับปักกนตุเนซา e าติจะตั้งุา อเพราะเหตุที่ได้หารุโโธนาส่วนบุญที่ข้าประเจ้าแผ่ให้แล้วตั้งทั้งหลายทั้งปูวางจงเป็นผู้ไม่มีเวทอยู่เป็นสุขทุกเ ม, มื่อจองถึงบทอันเกษตรงก่าวคือกรในฝันความปรารถนาที่ดีงามของข้าเช้านั้นจงสำมเลยเถิดที่เราก็สวดอรยิยมรรคมืม อ, มองแปดไป ช่วงเช้านี้เราก็คงจะได้มาทําความเข้าใจกันแล้วก็มาดูโครงสร้างของอริยมรรคเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างการสอดรับการเรียงร้อยทั้งหมดของมรรคมีองแปดแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพรวมเลยว่าทําไมมรรคมีองแปดจึงสามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นพระรหันได้คราสวดสวดสวดสๆกันไป เคยได้ยินมั้งมีองค์แปดกันมาจําไม่ได้เลยซ้ําว่าสัมมาแปดข้อมีอะไรบ้างรู้แต่ว่าสัมมาสัมมาอ่านข้อไหนก็เอแอล้วก็ทําได้ทั้งนั้นแหละอ่านแล้วแล้วเราก็เข้าใจเราก็ทําได้เ อ, อ๊มันจะยิ่งใหญ่อะไรยังไงแบบไหนลองฟังดูไม่แน่ว่าครั้งต่อไปที่ท่านก้มลงกราบว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะกราบทั้งหัวใจ ทันทีที่ได้ยินมักมีองแปดแล้วรู้ว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นผ้าละหันได้ยังไงไม่ใช่แค่สัมมาสัมมาที่ท่อง ผ, ผ่านปากไปแน่แล้วไม่ใช่การทําความเข้าใจมักมีองแปดคือหนทางปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์แล้วก็ไม่ได้บอกว่ารู้แล้วอันนี้รู้แล้วไม่ใช่รู้ปฏิบัติไปจนบรรลุธรรมเป็นผ้าละหันหนีแ่แหละ ทำไม่หยุดไม่ใช่รู้จักหมดอะไรก็รู้หมดอะไรก็อธิบายได้หมดแต่ไม่เห็นทําอะไรได้แค่ท่านสวนว่าการละอกุศลเจริญกุศลในสัมมาวยามะเนี่ยโอ้รู้แล้วเข้าใจแล้วการละอกศลแล้วไหนแล้วทำไมอกุศลเพียบเลยล่ะมันต้องละกันทุกทุกทุกทุกทุกทุกขณะไปเรื่อยแล้วก็เจริญกุศลเจริญกุศลกันไปเรื่อย มัคมีโงแปดไม่ใช่การทำความเข้าใจอย่างเดียวนะครับไม่ใช่การรู้จักอย่างเดียวแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแล้วก็วันนี้ท่านจะได้รับแจกหนังสือเล่มนึงชื่อกลัวเกิดไม่กลัวตายนะครับที่ผมเขียนเอาไว้เพราะว่าเป็นการอธิบาย ม, ามัคมีโยงแปดในภาษาที่พวกเราจะเข้าใจได้ง่ายๆเพราะว่าผมเห็นว่าทุกวันนี้ ชาวพุทธกลับไม่รู้จักนักมีองค์แปดแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญด้วยกลับไปให้ความสำคัญของการปฏิบัติตามๆกันมาเล่าสู่กันฟังอย่างนั้นมากกว่าหนังสือธรรมะในร้านหนังสือร้อยละแปดสิบกว่าเป็นการเขียนจากประสบการณ์ของคนฉันคิดว่าฉันทามาแล้วมันเป็นอย่างนี้ก็นำมาบอก จนกลับไปไม่ถึงแล้วว่าแก่นจริงๆคืออะไรทุกคนเอาเปลือกเอาส่วนที่เป็นจริตของตัวเองเอาอุปนิสัยใจคอความรู้สึกของตัวเองมาเขียนบอกคนก็พยายามทำความเข้าใจในแบบของคนอื่นซึ่งต่างจริตต่างอะไรกันหมดมักมีองค์แปดเนี่ยคือบอกทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นท่านจะมีอุบายอะไรส่วนตัวที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เติมเองนะครับ หรือเห็นมุมมองของครูบาอาจารย์องค์ไหนที่น่าจะเป็นประโยชน์ดึงมาใช้ได้ผมถึงบอกว่าถ้าเราจะเดินซิกแซกเนี่ยเดินตรงให้รู้จักทางก่อนแล้วไปเดินซิกแซกเอกข้างหน้าถ้าวันนี้ทางก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็ไปวิ่งซิกแซกตามสิ่งที่ได้ยินมาเนี่ยยิ่งยุ่งกันใหญ่นะครับแต่ถ้ารู้แล้วว่าทางคืออะไรจะเห็นแล้วว่าอ๋อตรงนี้เป็นอุบายเติมเข้ามาเติมเข้ามา เราก็ลองใช้อุบายนี้ดูครูบาอาจารย์ให้อุบายมาลองดูอืมดีขึ้นก็ใช้ไปโอ้ไม่ไหวยิ่งหนักกว่าเดิมก็เปลี่ยนะก็เดินตามทางพระเจ้าไปอุบายจากครูบาอาจารย์เนี่ยท่านบรรลุทำท่านบรรลุด้วยอุบายแบบนั้นท่านก็นํามาบอกจริตของท่านเป็นแบบนั้นท่านทํามาแบบนั้นผมยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังมีเรื่องหนึ่งสมัยในสมัยพุทธกาล แต่ถ้าเปิดเดี๋ยวจะนานจะได้ย่อๆให้ฟังในสมัยหนึ่งพระสารีบุตรได้รับลูกศิษย์ขึ้นมาคนหนึ่งเป็นพระโยมอุปถากของท่านเป็นเจ้าของรามทองนําลูกชายมาบวชเรียนฝากไว้กับพระสารีบุตรพระสารีบุตรเห็นเป็นภิกษุหนุ่มก็เจึงให้อาสุภักกรมมฐานเป็นองค์กรรมฐานหลักภิกษุหนุ่มนั้นก็ ทำเพ่งอสุภากรรมฐานมาตลอดผ่านไปสี่เดือนไม่ขยับเลยพระสารีบุตรก็ชักแปลกใจจึงพาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสี่เดือนไม่บรรลุธรรมนี่แปลกแล้วนะเอ๊ะทำไมไม่บรรลุสี่เดือนพาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลย เจ้าก็บอกว่าก็บอกภิกษุนั่นบอกว่าเธอจะเอาดอกบัวเป็นนั่งอยู่ข้างหลังศาลาแล้วก็ปักดอกบัวไว้แล้วก็เพ่งไปที่ดอกบัวสีแดงไปเก็บดอกบัวสีแดงมาปักแล้วให้ท่องคำว่าโลหิตังโลหิตังโลหิตังไปเรื่อยๆให้เพ่งกระสินสีแดงเข้าไปที่ดอกบัวโลหิตังก็คือโลหิตนะครับเป็นสีแดง ให้เพ่งดอกบัวแล้วก็บอกว่าโลหิตังโลหิตังให้ใช้กรสินสีแดงเพ่งไปที่ดอกบัวพิสูจนหนุ่มผู้นั้นก็ไปก็ไปทําตามก็นั่งเพง่งโลหิตังโลหิตังโลหิตังสักพักดอกบัวก็เหี่ยวเหี่ยวเพราะเหี่ยวพเพราะเพ่งว่าะเหี่ยวอยู่แล้วลวดอกบัวเพราะดอกบัวเริ่มเหี่ยวใจก็เหี่ยวก็ดอกบัวใหม่มาปักโลหิตังโลหิตัง โลหิตตังโลหิตตังเพ่งก็ไปดูดอกบัวเลยพอเพ่งอะไรเกิดสมาธิความตั้งมั่นเริ่มเกิดดอกบัวเหี่ยวใจเหี่ยวเห็นเลยว่าใจเหี่ยวตามดอกบัวพอดอกบัวสดชื่นใจสดชื่นตามดอกบัวดอกบัวเหี่ยวใจเหี่ยวเห็นเลยว่ามันมีอุปาทานพอชําระอุปาทานได้ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยถอนอุปาทานทั้งท่านใน พอถอนข้างในข้างนอกก็หลุดอยู่แล้วซาลามัอยู่ที่จิตปลดที่จิตปั๊บมันก็หลุดปึด๊บก็บรรลุธรรมพระเจ้าก็เลยตัดบอกภาษาริบุตรว่าเธอให้กรรมฐานลูกสิธิ์ผิดนี่อัครสาวกเบื้องขวานะครับผู้เป็นเลอด้านปัญญา เนื่องจากว่าภาษารีบุตรเห็นว่าเป็นภิกษุหนุ่มบวชใหม่น่าจะยังมีราคะมากจึงให้อสุภะเป็นการถอดถอนเมื่อใช้อสุภะก่อนจิตใจจะค่อยๆน้อมแล้วก็ยอมแล้วก็ปง่งลงแล้วจะเกิดเป็นความสุขในภายหน้าแต่พระเจ้ากลับให้เขาเพ่งดอกบัวก่อนเพื่อให้เกิดความสุขในราคะที่ไปติดกับดอกบัวก่อน แล้วจะเห็นดับบัวเหี่ยวไปเห็นอสุภะในภายหลังเห็นว่ากรรมฐานเนี่ยปรับกันพูะเจ้าให้ใช้ราคะเป็นเครื่องล่อแล้วเกิดอสุภะในตอนท้ายแต่ภษาที่บุตรให้ใช้อสุภะขึ้นต้นแล้วค่อยไปเกิดความสุขในตอนท้ายเลียมกันนิดเดียวเองนะครับพูะเจ้าบอกว่าทำไมเขาถึงไม่บรรลุ ในการให้ดูอสุภะเพราะอดีตชาติของหนุ่มคนเนี้ยอยู่กับล้านทองมาหลายสิบชาติแล้วอยู่กับของสวยๆงามๆ ม, มาตลอดพอได้เห็นของไม่สวยจิตใจมันเหี่ยวแห้งพอจิตใจเหี่ยวแห้งมันจึงไม่มีกําลังเดินสมาธิไม่ได้เพราะสมาธิมีเหตุปัจจัยมาจากความสุขท่านที่มานั่งแล้วไม่สงบเลยเนี่ยลองสังเกตตัวเองดู ท่านไม่มีความสุขไม่มีฉันทะในการทําทําไมคนที่ก็ถักนิดติง้งถักโคเชต์เขถักได้ทั้งวันเพราะเขามีความสุขไปชวนก็กินข้าวก็ยังบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขออีกแป๊บหนึ่งแล้วมีไหมล่ะที่ผมบอกว่าสมควรแก่เวลาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจางเดี๋ยวก่อนนะขออีกสักครึ่งชั่วโมงเลยไม่มีรีบเลยนะไม่มีเพราะมันไม่มีฉันทะมันจึงไม่มีวายามะ มันต้องให้เกิดฉันทาเกิดความสุขโอ้มันดีจริงๆดีจริงๆดีแบบนี้นะทําให้จิตเข้าไปเคยคุ้นกับเบรคมันเกิดฉันทะเกิดความสุขในการทำตอนนี้ไม่ใช่มันแรงเสียดทานมัอย่าไกรถกระดาษทรายเลยนะเห็นเมื่อไหร่ก็ตามพอเกิดความสุขมันจะเกิดสมาธิเดี๋ยวผมจะเปิดให้ลำลาดับขั้นสู่การบรรลุธรรมเพราะมันเกิดความสุขความสุขจะเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิเลยโดยอัตโนมัติเลยถ้ามันเกิดความสุข เาะในองค์กรรมฐานหลายๆองค์เนี่ยถึงได้บอกว่าบางบางที่ก็บอกว่าควรจะแผ่เมตตาก่อนก็ถูกก็แล้วแต่บางคนก็ให้นึกถึงคุณนาพุทธคุณแล้วชื่นใจในพระพุทธคุณโอ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความสุขพอความสุขปับ๊บนั่งสมาธิปัเข้าเลยหรือเราลึกถึงความดีของอะไรเนี่ยของเทวดาของ ผู้เจ้าก็บอกว่ากรรมฐ า, านสี่สิบเอามาใช้ได้นะครับแต่ทีนี้ผมบอกแล้วว่าผู้เจ้าสอนยังไงก็นำมาบอกแบบนั้นส่วนใครจะถนัดแบบไหนให้รู้ทางก่อนแล้วท่านจะไปตัดแปลงยังไงอุบายยังไงเนะียก็เอาเลยตามสบายขอให้รู้ก่อนว่าแก่นหรือทางตรงๆมันคืออะไรทางสายกลางคืออะไรไม่งั้นก็จะกลายเป็นอะไรรู้ไหมเวลาเห็นใครปฏิบัต อย่างสมมติว่าท่านปฏิบัติเถือศีลแปดบ้างอะสมมติ ว, วันวันพระหรือวันเสาร์วันอาทิตย์อยู่บ้านอ่ะถือศีลแปดได้ถือเวลาเพื่อนมาบ้านก็ชวนกินข้าวเย็นว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกทานไปเถอะนะเต็มที่เลยอยากกินอะไรก็กินเอะแต่ว่าวันนี้เราถือศีลแปดเ้ยเธ อ, อตึงไปหรือเปล่าเขาบอกพระเจ้าจบอกให้ปฏิบัติทางสายกลางนะจะไปไหนก็ไปนี่ต้องปฏิบัติทางสายกลางผมบอกว่านู่นเนี่ยกลางเน่ะ ทางสายกลางที่ท่านพูดถึงอะเริ่มต้นยังไม่ได้สวดส่วนธรรมจักเดี๋ยวส่วนธรรมจักกทางสุดตรตงสายแรกกามโสุขานิการวิโยกตามใจกิเลสตามใจกามทั้งหลายเนี่ยอย่างที่บอกอยากกินอะไรก็กินอยากไปไหนก็ไปเนี่ยนี่คทางสายกลางต้องใช้ชีวิตที่อยู่ทางสายกลางกลางมากเลยนะลงไปข้างคลองเนี่ยนั่นเป็นทางของปุถุชนเป็นของต่ํารามอะไรเนีย เพราะฉะนั้นกลางมันอยู่ที่ไหนกันแน่มันกลางของใครจเจ้าทางสายกลางต้องดูว่ามรตมีองค์แปดว่าอย่างไงนั่นแหละทางสายกลางนะครับทานสายกลางคือมรตมีองค์แปดมชิมาปฏิปทานะเริ่มต้นข้อที่สองก็โดนแล้วสัมมาสังกปการดําริในการออกจากกามถ้ากามมันดีก็จะออกทําไมล่ะนี่เรามาดูเรื่องบุญกันนิดหนึ่งผมว่า วันนี้เนี่ยเรื่องง่ายๆกลายเป็นเรื่องยากสำหรับชาวพุทธไปแล้ว นี้พอพูดถึงบุญหรือทำบุญก็นึกได้แค่นี้แหละตักบาตรบริจาคทรัพย์ถวายสังฆทานเวียนเทียน ดีนะครับบุญแปล ว, ว่าชําระหมายถึงการทำให้หมดจดจากมนทินเครื่องเศร้าหมองอันได้แก่โลภะโทสะโมหะเมื่อไหร่ก็ตามเกิดการชําระโลภะโทสะโมหะเมื่อนั้นล่ะเรียกว่าบุญไม่ใช่เอาเงินไปให้แล้วก็ไปเอาบุญเอาอาหารใส่ลงไปในบาท แล้วก็ได้บุญมันกลับที่กันท่านเอาอาหารใส่บาตรเพราะท่านจะบริจาคออกท่านจะให้ท่านจะขัดเกลาวความตระณีที่เหนียวผมถึงคอยถามเรื่อยๆว่าเวลาทําบุญ เ, เวลาใส่บาตรเนี่ยท่านคิดยังไงเขาบอกว่าเอาต ร, ตรงไปตรงมาเลยไม่ต้อ ง, งประดิษฐ์ประดอยคำพูดเพราะจะบอกว่าความรู้สึกก็คืออยากทาบุญ โอกาสข้างหน้าชาติหน้าสมมุติว่าชาติหน้าก็จะได้มีกินมีใช้หรืออนาคตจะได้มีกินมีใช้จากการทำอ๋อล่ะผมไม่ว่าเลยล่ะแต่มีใครสักคนไหมที่หยิบอาหารใส่บาตรพระแล้วรู้สึกว่าวันเนี้ยพระจะได้ฉันอาหารแล้วท่านจะมีชีวิตอยู่ต่ออีกวันท่านจะได้สวดมนต์ท่องบทําความเพียร หนึ่งคือศาสนาของเราจะยืนยาวออกไปสองเมื่อวันหนึ่งท่านจะกลับมาเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนมาช่วยชาวโลกได้ไม่มีทุกคนคิดถึงตัวเองว่าอนาคตเราจะได้มีกินแต่ลืมไปว่าอาหารถุงนั้นน่ะพระได้ฉันทันทีเราไม่เคยเห็นคนอื่นเลย นอกจากตัวเองนี่ละบุญนี่มันโมหะชัด ของบุญก็มีทานศีลแล้วก็ภาวนาคนทั่วไปบอกว่าฉันเป็นคนดีฉันก็ให้ทานอยู่แล้วใช่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ดีแหละเริ่มให้ทานมันก็เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ทานก็เป็นระดับแรกๆคนดีก็ให้ทานคนชั่วก็ให้ทานคนเลวก็ให้ทานคนโกงบ้านกินเมืองก็ให้ทานได้ ทานเป็นระดับที่สบายๆทุกระดับทำได้หมดนะครับแต่ดีให้ไปเถอะนะครับสองศีลคนดีก็ถือศีลคนไม่ดีทำท้าจะมีปัญหาคนชั่วไม่เอาด้วยภาวนาคนดีเหลือส่วนเดียวที่ขึ้นมาถึงตรงนี้นอกนั้นไม่ต้องพูด ยัพุธไม่เคยปิดประตูแต่มีคนที่น้อยเหลือเกินที่เดินมาเพื่อต้องการภาวนา เคยกันอยู่เดียวเพียงแต่ผมขอส ก, กิดนิดเดียวอย่างที่พูดมาเมื่อกี้ให้เพื่อประโยชน์ของคนอื่นอย่ามวัวแต่นึกถึงแต่บุญนั่นมันเอาเข้าตัวมันไม่ใช่การชำระออกโอ้ได้ข่าวว่าครูบาอาจารย์องค์นั้นสุดยอดเลยเราไปทำบุญเถอะได้อา น, นิสงส์บ้างคำพูดฟ้องหมดแล้วนะครับว่าท่านจะไปเอา ท่านไม่ได้ไปให้ไปทำบุญที่ยัวพูดเถอะท่านจะไปเอาบุญท่านไม่ได้เห็นว่าองค์กรนี้ช่วยเหลือผู้คนแล้วอยากจะช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรนี้ให้ได้ช่วยเหลือผู้คนให้มากออกไปเอาความคิดกูนะ่ะทลายทิ้งไปบ้างนะครับมันจะได้เห็นโลกเห็นคนอื่นอย่าให้มันติดกรอบความคิดของตัวเอง ยิ่งทำมันจะกลายเป็นยิ่งพอกตัวตนมันจะเป็นบุญตรงไหนเพราะว่าไปเพิ่มกำลังให้อวิชชาอโทษนะดดูใหญ่ยิ้มดูใหญ่ยิ้มใส่เสื้อเพื่อให้คนอื่นได้บุญเอาอาหารไปให้ปลาให้นกเอาข้าวแรก ไม่ยอมเอาเข้าเด่นจิตใจเธอประเสริฐมากนะครับพิธีกรถามว่าอย่างนี้ก็ได้บุญที่ยายผม ง, งั้นมัน้งคือไม่ได้สนใจเลยเ ข, ขาให้นะ่ะเขาไม่ได้อะไรบุญอย่างนี้ก็ได้บุญที่ยายคนกรุงมีแต่คุณเรื่องจะไปเอาบุญก็คงอย่างนั้นเรามั้งไม่ได้คิดนะ่ะ ศีลจัดการที่กายกับวาจานะครับจำตรงนี้มั่นๆเดี๋ยวเราจะไปพบในอริยมรรคมี่องแปดศีลจัดการที่กายกับวาจาไม่ใช่ที่ใจ เขาไปที่จิตะภาวนาคือการอบรมจิตทางสมถะและวิปัสนาการนั่งสมาธิเรียกว่าสมถะการนั่งวิปัสนาคือมีสติระลึกถึงรูปนามเรียกว่าวิปัสนาภาวนาหลายคนด้วยความไม่เข้าใจก็นึกว่าตัวเองจะเอาสุดยอดสุดยอดก็ต้องวิปัสนาสิมีสติรู้รูปนามเกิดปัญญาถอดถอนปล่อยอุปาทานในขันธ์ เข้าสู่ความว่างสุญญตาเข้าสู่พระนิพพานดับทุกได้จะขึ้นต้นมาม่วงจะกระโดดขึ้นทางยอดเลยนะแล้ววิปัสนาคือการรวมกันของสมถะและวิปัสนาครับวิปัสนาคือมรรคองค์ที่หนึ่งก็าอาศัยมรรคตั้งแต่สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนแหละ เป็นกําลังเข้ามาช่วยนักมวยตัวผมอมขึ้นเวทีไปโดนไม้ไทยสันตบทีเดียวกระเด็นตกเวทีเลยต่อให้เป็นนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยวิธีการต่อยแบบไหนก็ได้นะครับรู้หมดว่าช่องจุดโหวของไม้ไทยสันอยู่ตรงไหนขึ้นไปไม้ไทสันเอามือทุบทีเดียวก็กลับลงมาเลยกําลังก็ไม่มีอะไรก็ไม่ ม, อไไ ม, มีอะไรไม่มีสักอย่างเลยนะครับนะประเภทจะเอาปัญญานะ จะเอาปัญญาจะขึ้นไปต่อยกับไม้ไตรสันจะเอาปัญญาไปต่อยกําลังไม่มีเลยมักมีองค์แปดเนี่ยรวมกันทั้งแปดองค์นะครับเดี๋ยวย่อลงมาก็เหลือสามเป็นไตรสิกขาทั้งหมดจะเข้ามารวมกันเป็นกําลังดูดูพวกนี้ไปก่อนนะครับดูจิกซอไปก่อนเดี๋ยวพอต่อกันเป็นเรื่องแล้วจะเข้าใจ ที่สี่ความเป็นผู้นอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อมมันเป็นบุญยังไงเนาะเวลาท่านนอบน้อมต่อใครที่ควรนอบน้อมเนี่ยไปเจอครูบาอาจารนยะ์ะท่านสุดนอบน้อมสังเกตดูที่ใจตัวเองใจจะอ่อนน้อมตัวตนจะลดลงนั่นหละถึงเป็นบุญเมื่อไหลลด ต, ตัวตนลงแล้เมื่อนั้นเป็นบุญ เมื่อไหร่เพิ่มตัวตนไม่ใช่เพราะฉะนั้นการสละออกสละกิเลสนั่นแหละออกเมื่อไหร่นอบน้อมมันนั้นเป็นบุญและนอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อมหมายถึงผู้ที่เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีควรนอบน้อมผมไปที่ไหนผมจะบอกเลยนะครับนอบน้อมคนดีไม่ได้นอบน้อมคนรวยถ้ารวยและดีไม่มีปัญหาเลย ในกิจหรืองานที่ควรกระทำเช่นมีผู้อื่นกำลังได้รับความทุกข์อย่างเช่นน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาก็ช่วยกันระ ด, ดมแรงไปช่วยกันทำอย่างนี้ใช่วุยาวัดจ่าเนี่ยใช้กำลังไปช่วยในงานที่ควรกระทำอะไรที่มันเป็นอกุศลก็ไม่ต้องไปช่วยก็ได้แต่อะไรที่เป็นกุศลเป็นช่วยเหลือผู้อื่นทำไปเลย ไม่ได้ไปเอาบุญไปช่วยจนหลังๆนี่ต้องแทบจะต้องให้ตัดคําว่าบุญที่เงเพราะมสับสนไปช่วยคนจบแล้วเอาแค่นั้นนะ่ะจะเหนื่อยยากแค่ไหนก็ใช้กําลังกายเข้าไปไม่บน่นไม่ข่าควรวนเนี่ยคือการชรําระกิเลสจะถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กบ้างก็เอาเถอนะน้ํำจิ้มแต่อย่าให้ไปเพราะว่าอยากจะได้รูปไปลงเฟซบุ o กฉันไอ้นั่นไม่ใช่ละ ไอ้นั้นไปอีกทางแล้วไอ้นั่นไม่ใช่บุญแล้วอ้นั่นจะสร้างตัวตนใหม่เพราะว่าอยากให้คนก็ามาเขียนอนุมโมทากันเยอะๆไอ้นี่คนละเรื่องแล้วการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลด้วยการกรวดน้ํานะครับเราก็ทํากันทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นเรามาทําความดีแล้วก็อุทิศให้คนอื่นในภพภูมิอื่นหลายคนก็สงสัยว่าได้จริงหรืออุทิศไปแผ่ไป่ ถ้าผมตอบก็เป็นคําตอบของผมเชื่อมันมีเชื่อบางฟังพระพุทธเจ้าดีกว่าคนทูลถามท่านว่ารับแผ่ไปอุทิศไปเนี่ยได้หรือได้ไหมท่านบอกว่าการอุทิศส่วนกุศลเมื่อแผ่ส่วนกุศลเนี่ยจะทําให้เกิดการดูแลซึ่งกันและกัน ร, ระหว่างเทวดาและมนุษย์เทวดาจะดูแลมนุษย์ เหมือนกับแม่ดูแลลูกเพราะความที่มนุษย์มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาจะช่วยเท่าที่เขาช่วยได้นึกคนข้างบ้านจะโทรหาตำรวจก่อนแต่ถ้าไม่มีใครสนใจใครเลยวันไหนที่จนขึ้นเนี่ยเขาไม่มองเลยเขาไม่สนด้วยแค่นั้นเหมือนกันถ้ามีน้ำใจให้กับใคร โลกก็จะร่มเย็นจะดูแลกันส่วนการอุทิศออกไปพูะเจ้าก็ตรัสว่าอยู่ในฐานะหรืออาฐานะคือสามารถรับได้อย่างเช่นในแต่ลบภูมิภพภูมิเนี่ยเขามีอาหารของเขาเองอย่างเช่นภพภูมิของมนุษย์ก็มีหยาบประชานก็เป็นอาหารหยาบในภูมิพวกโอปปปาติกะเขาก็ไม่ได้ใช้อาหารหยาบเพราะฉะนั้นการส่งไปก็แล้วแต่ว่าภูมิไหนรับได้ ก็ถ้าอยู่ในฐานะที่รับได้ก็รับได้อยู่ไม่อยู่ในฐานะก็รับไม่ได้ก็แค่นั้นเองแต่การรับไม่ได้ก็จะมีปัญหาอะไรลราผู้ให้ก็เกิดการให้แล้วรับไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็มีปัญหาอย่างภูมิที่อยู่ในฐานะเลยเนี่ยก็คือมีเปรตอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับเปรตอยู่ภูมินึงที่เวลาท่านแผน่เมตตาแล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนพบภูมิได้ถ้าหากระหัดมันตรงจําชื่อภูมิเปรตนั้นไม่ได้ชื่อเพราะๆเลย แต่ไม่น่าไปอันนั้นเนี่ยได้ตรงๆเปลี่ยนภพภูมิได้เลยแล้วก็ทวนทูลถามท่านว่าแล้วถ้าไม่มีญาติเป็นเปรตล่ะก็บอกว่าไม่มีใครที่ไม่มีญาติเป็นเปรตไม่มีใครที่ไม่มีญาติเป็นเปรตทุกคนมีญาติเป็นเปรต เปรตเยอะมากแล้วท่านก็ผูกพันกับคนมาเยอะมากแล้วการกระทําของเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยสร้างภูมิที่เป็นเปรตถ้าวันนี้ไม่มีสติสัมปชัญญะไม่เดินตามภูส้นไม่เดินตามมาัชมีสิตวันหนึ่งจะมีคนแผลมีคนถามโอ้ไม่มีหรอกที่ญาติเราเป็นเปรตเพราะเราตอนนี้ไปเป็นเปรตญาติเรากำลังนั่งปฏิบัติอยู่ข้างบนแล้ววันนั้น ผู้ที่ตกอยู่ในภูมิของอบายไม่ว่าจะสัตว์นรกหรือว่าเปรตเรือสุรกายทั้งหลายก็จะมานั่งขวนนรกว่าวันที่เราเป็นคนเราไม่น่าเลยเราไม่น่าพลาดเลยทั้งแต่ที่เรามีโอกาสทุกอย่างเราได้ยินทุกอย่างแต่เรากลับปรามาสแล้วเราก็เดินผ่านไปเฉยๆด้วยความประมาทถ้าเราได้มีโอกาสเป็นมนุษย์อีกสักครั้งหนึ่งเราจะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอย่างเต็มที่ เราจะไม่รอให้ใครส่งส่วนบุญส่วนกุศลให้อีกแล้วได้แต่นั่งรอเป็นเปรตอยู่บนโลกก็นั่งเป็นเปรตหิวโหยอยากได้นู่นอยากได้นี่เพราะเป็นเปรตลงไปก็ยังไปเป็นเปรตใจก็อยากจะโหยหาขอส่วนบุญชาบ้านก็อีกใครจะไปรู้ว่าท่านอาจจะเคยพูดอย่างนี้มา ก, ก่อนตอนท่านอยู่ข้างล่างวันนี้ยังไม่รีบทำอีกเหรอ นี่ละครับถึงกันการอนุโมทนาบุญการออกคนอุบายให้คนอนุโมทนาด้วยการบอกว่าจะได้สิเปอร์เซ็นตเป็นการให้โอกคนอุบายแบบไม่รับผิดชอบเลยแค่อยากจะให้คนหัดพูดคาว่าอนุโมทนาผมว่าอธิบายง่ายกว่าแต่พอไปหลอกเขาว่าได้สิเนี่ยมันเป็นเปรดเลย ผมเคยเห็นคนวิ่งไปอนุโมทนาบุญกับคนอื่นที่ไปทําบุญแล้วกลับมาพูดคุยว่าเขาได้มาสิบเปอร์เซ็นตได้มาแสนหนึ่งว่าทำไมได้แสนหนึ่งคนนั้นก็ทําบุญสร้างโบสถ์เป็นล้านหนึ่งแล้ ว, วได้มาแสนนึ่นะไปอนุโมทนาเขาเนี่ยเพิร์เจอไปกันใหญ่แทนที่จะพอ ย, ยินดีไปกับเขากลับกลายไปเอาของเขาท่านออกจากคอสปฏิบัติเนี่ยถ้ามีนักปฏิบัติส่วนใหญ่โทรมาอนุโมทนาเนี่ย คนที่หนึ่งไปแล้วสิบเหลือเก้าสิบแล้วกูคนที่สองแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบเพหลืออีกสองเหลือยี่สิเนี้ยรีบปิดโทรศัพท์เลยมิ s คอ a l ดดีกว่าหมดพอดีมายิ่งไม่ค่อยได้ตั้งใจอยู่ด้วยมีกับเขาก็มีอยู่นิดเดียวเพื่อนก็เอาไปหมดเลยตอนหลังๆชักหดหงิดเลยกลายเป็นโทรศาดาเอ้ยที่หลังไม่หัดทำเองม้างเนี่ยมาคอยจิกเอาของคนอื่นเนี้ยนะอาไปนู่นเลยกลายเป็นตัวตนขึ้นมาเลยบุญเนี้ย ไปดูกันใน์มากเลยนะครับทีนี้ก็รู้จักบุญสรุปแล้วบุญก็คือ การชำระจิตใจให้ปราศจากราคะโภสะแล้วก็โมหะทำให้ตัวตนดลดลงเบาบางลง น, นั่นแหละเป็นบุญบแล้วก็มองไปที่ประโยชน์ของคนอื่นสมมุติว่ามีชาวบ้านขาดแคลนอดอยากคนไทยก็จะไปเรี่ยรายกันนะครับออก็อันณาจารไปช่วยเหลือกัน แต่บางคนก็บอกเออไปทําบุญให้เขาจะได้ไ ด, ได้บุญเอาละมันก็ได้ระดับนึ่งละแต่ว่ามันหายไปเยอะละ่ะแทนที่จะได้อนิสงสมมติว่าหนึ่งร้อยหน่วยก็คงเหลือสักสิบหน่วยเต็มที่เพราะว่ามันเป็นการเอาเข้าแะมันมีจิตเปรตเข้าไปปนมันมีแต่โลภะเข้าไปขวางเอาไว้มันไม่ได้ให้เพราะว่าใจจะให้มันให้เพราะจะเอาฉนั้นทํายังไงมันก็ไม่ได้รับบุญ ได้เหมือนกันได้นิดๆได้จากการให้แต่ไม่ได้ใจิตใจผ่องใสอะไรเพราะมันมีโลภะเข้าไปปนแต่ทําไมเวลาฝรั่งเขานักดนตรีร็อกไปช่วยแอฟริกาไปเปิดคอนเสิร์ตเพื่อให้ได้เงินแล้วก็ส่งให้อฟริกาพวกเขาไปช่วยกันนะครับนี่ก็เป็นทานเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ไปเอาบุญเขาไม่ได้สนใจเลยโรงแรงเล่นเสร็จได้เงินทองก็ให้ไปเลย ช่วยเหลือผู้ยากไรแล้วก็กลับอย่างเี้เบาๆตัวเบาๆทำไมเทวดาถึงอยากเกิดเป็นมนุษย์ในส่วนของการทำบุญเพราะเทวดาบอกว่ามนุษย์เนี่ยทำบุญแล้วได้บุญมากทำกุศลแล้วได้บุญมากๆเลยไม่เหมือนเทวดาเพราะว่าเทวดาเนี่ย อยู่ในมิติที่ 4, สี่เส้นของเวลาเนี่ยไม่ว่าอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยมันเห็นกันหมดเพราะฉะนั้นการทําวันนี้ก็จะเห็นว่าวันหน้าเป็นยังไงเทวดาจึงรู้หมดว่าทํำอย่างเนี้ยเดี๋ยวได้อย่างเนี้ยทําอย่างเนี้ยได้อย่างเนี้ยทำอย่างเนี้ยได้อย่างเนี้ทยทีนี้มันจึงเกิดความผิดพลาดเพราะว่ามันเห็นอนาคตมันเพราะว่าทำสิบได้ร้อยโอ้หได้ตังกร้อยก็เลยทำสิบทีนี้เหลือสิบเลยเพราะว่าจะเอาร้อย พอเทวดาเห็นอย่างนี้เลยรู้ว่าตัวเองทำบุญที่ไหนไมันได้น้อยทุกทีไม่เหมือนคนไม่เหมือนมนุษย์ทำสิบได้หมื่นทำสิบได้แสนโอ้โหมนุษย์นี่ได้เยอะเว้ยเพราะความที่มนุษย์ไม่รู้ว่าทำแล้วจะได้อะไรจึงทำด้วยหัวใจทำเพื่อช่วยคนไม่ได้คิดว่าจะได้บุญแล้วอยู่ๆมีคนบอกว่าทำแล้วจะได้บุญ มนุษย์จึงเริ่มทำบุญเพราะจะเอาบุญเริ่มเข้าไปเหมือนเทวดาเพราะมันดันไปเห็นปลายทางว่าทำแล้วจะได้อะไรทีนี้ไปหวังที่อานิสงส์ที่ตัวเองจะได้มันก็เลยหดแทนที่จะได้เท่านั้นมนเหลือ 10, เรือสิบเลือยี่สิบมันไม่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนอีกแล้วเพราะทำแล้วจะไปเอาบุญกับคนที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย ทำดุยดุยทำก็ต้องการช่วยกลับได้มหาศาลมนุษย์จึงเริ่มทำบุญแล้วกลายเป็นเทวดาเหมือนกันคือไปเห็นว่าตัวเองได้อะไรแล้วไปหวังสิ่งที่ตัวเองจะได้ข้างหน้าเสร็จเลยทีนี้จอยเลยเห็นวันนี้กลับมาอยู่ที่เดิมทำเพื่อให้ไม่ต้องไปสนใจเลยว่าจะได้เท่าไหร่ถ้าสนใจแสดงว่ากิเลส ถ้าทำเอาแรงเอาใจเอาทุกอย่างให้คนนะเพราะช่วยเพื่อให้คนพ้นทุกข์เมตตาการุณานะมุทิตาให้ไปเลยเนี่ยพรมวิหารมันจะได้ไม่สับสนนะครับวางจิตเอาไว้ให้ถูกเดี๋ยวเราสทธาตุปัจเจเวกจะได้ไปทางข้าวใครไม่มีหนังสือก็ดูบนจอเลยก็ได้นะครับ ญาตาปัจจะยังประวัตมานังตาตุมาจเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตามธรรมชาติเท่านั้นตามลังเป็นไปตามเหตุตามปัจใจอยู่เหนือมิตรญาติทางปินทปาโตตาตุปาปุญญาโกจะบุอโล สิ่งเหล่านี้คือบินตบาตและคนผู้บริโภกบินตบาตนั้นอาตุมาจารกเป็นสักว่าธาตุธรรมชาตินิสตโตมที่ได้เป็นสัตวสว่างยังยืนนิจิวมที่ได้เป็นชีว่าอันเป็นบุรุษสุกคน รุนโยความเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนตามโมปัญายังปินทฐาโทอธิพุจจะนิโยบิฏฐาทั้งหมดที่มาเกียเดิมอิมันพูติกายังปัสวากรันมาถูกเข้ากับกายอันเฒ่าอยู่เป็นนิจิีแล้ว อาติวิยาติภูจานิโยชายติย่อมกลายเป็นของนาเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน